คือชีวิตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงตระหนักถึงความสำคัญและความอยู่รอดของทรัพยากรป่าไม้จึงทรงพระราชทานแนวพระราชดำริให้ทำฝายชะลอความชุ่มชื้นหรือฝายต้นน้ำเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์น้ำและฟื้นฟูป่าไม้ที่ได้ผลดียิ่งคลองพลุดินนา และลำน้ำสาขาในพื้นที่ตำบลพลุดินนาอเอคลองท่อมจกระบี่เป็นพื้นที่ลาดชันในช่วงฤดูฝนมาเกิดน้ำไหลหลากชะล้างหน้าดินและในช่วงฤดูแง้งไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ทำให้ประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองพุดินนาและลำน้ำสาขาจึงเป็นหนึ่งในโครงการที่ครมทรัพยากรน้ำได้น้อมนำแนวพระราชดำริในการดำเนินการก่อสร้างฝายจำนวน39จุดส่งผลให้มีปริมาณการกักเก็บน้ำได้ถึง 79,800 กาลูกบาทเมตรประชาชน392ครัวเรือนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรพื้นที่รวมกว่า